ไม่ยากหรอกที่จะเรียนรู้เปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่จริงสิ่งที่หลงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่เพื่อที่เจ้าสอนมาก่อนครูบาอาจารย์ภาวนาแลรักษาสืบทอดมาหลวงพ่อไปเรียนจากท่านท่านก็สอนเหมือนที่หลงพ่อสอนพวกเราเนี่ยแต่แต่ก่อนเนี่ยท่านสอนในวงแคบ อย่างถ้าเราภาวนาจริงๆนะครับไปหาท่านท่านสอนเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราสอนสภาวะสภาวะอย่างนี้อย่างนี้ภาวนาอย่างนี้นเป็นความรู้ที่จำกัดไในวงกรรมฐานตอนหลวงพ่อเอาความรู้อันนี้มาสอนเรื่องการเจริญปัญญาเรื่องอะไรอย่างนี้ ทำไมคราวาสมันจะโง่ถึงขนาดเรียนเรื่องเจริญปัญญาไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่หลวงพ่อไปเรียนหลวงพ่อเรียนสมัยเป็นฆลาวาสทำไมทําได้พระท่านถึงออกปากเลยว่าโยมทําได้ไงไมาถึงหลวงพ่อทําได้ไงเป็นฆราวาสแท้ๆนะภาวนาปีหนึ่งนะเหมือนพระทำทั้งสิบปี2ี่ิปีไม่ได้อย่างนี้นะ บอกท่านเราได้หลักแล้วเราทำทั้งวันนั่นอยู่ที่ว่าเรารู้หลักไหมแล้ว ร, รู้หลักแล้วเราปฏิบัติได้สมควรแก่ทำไหมปฏิบัติมากพอไหมนานๆมั น, นมดูทีหนึ่งนะบอกเมื่อไรจะบรรลุเมื่อไรก็ไม่บรรลุหรอกขี้เกียจ ด, ดูบ่อยๆภาวนากันตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกวันนะเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะเป็นเวลายกเว้นให้ จำเป็นต้องคิดเวลานั้นสติสมาธิปัญญาไปจาะกงานไม่ใช่สติสมาธิปัญญามาเรียนรู้กายรู้ใจในเวลานอกเหนือจากนั้นพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจเห็นมาเรียนรู้ถ้าเรียนรู้ได้มากมันก็เข้าใจเร็วรู้ถูกก็เข้าใจถูกขึ้นมารู้ถูกก็คือรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ รู้มากเข้าก็เข้าใจว่าโอ้จริงๆแล้วกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์เราเห็นก็เป็นไตรลักษณ์ของมันแลจกกนกระทั่งใจมันเข้าใจมันยอมรับแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นะดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกดูบ่อยๆบางคนนผ่านไม่หนีไปไหนเนาะแต่ถ้าเห็นกายเห็น ใ, นใจเป็นไตรลักษณ์นะดูนิดเดียวแล้วลืมไปเลยเลิกหายไปหลายวันนะ ระหว่างนั้นกลกายกับใจเป็นตัวเราตลอดเลยสะสมความรู้สึกผิดผิดความรู้ผิดผิดความเห็นผิดผิดนะความคิดผิดผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราถ้าเราไม่สะสมสิ่งที่ผิดมสาสะสมสิ่งที่ถูกมารู้กายอย่างที่กายเป็นอยู่เห็นไตรลักษ์มารู้ใจอย่างที่ใจเป็นอยู่เห็นไตรลักษ์มันอสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็เข้าใจโอากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรา ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ได้พระโสดา บ, บันนะโสดา บ, บันท่านบอกมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยตรงนี้สมาธิเล็กน้อยเนี่ยคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่เพราะน้นพวกเราอย่าหวังว่าจะตั้งตลอดเวลานะตัวรู้ของเราอยู่ทีละแวบบทีละแวบบไม่อยู่นานหรอกได้ทีละแวบบทีแวบบบ่อยๆก็ดีที่สุดแล้วล่ะ ตองระดับพระนาคานะตัวรู้ถึงจะเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเลยนานๆมองไปหน่อยๆสแสดกใจรักให้ดูประตูปับ๊บเห็นมองๆดูปับ๊บมันก็สว่างขึ้นมาอย่างเดิมเลยตัวรู้แลต่ของเราไม่มีพระโสดาก็ไม่มีมมจิตไหลตลอดเวลาเหมือนกันพวกเราเห็นจิตไหลไปไหลามาไหมอยากให้ไม่ไหลไหมพระโสดายอย่างไหลเลยพระสกทาคาก็ายังไหลน้ำหน้าอย่างเรายัางไงก็ไหล ไม่ต้องห้ามหรอกนะห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของเราอย่างนั้นเองจะศีลบริบูรณ์เพราะว่าไม่มีฮิริโอตปะเกิดขึ้นมีฮิริโอตปะเวลาจะทําอะไรที่ผิดศีลเนี่ยสติปัญญามันเตือนตัวเองมันรู้ทนันเห็นกิเลส ท, ที่จะครอบงําใจให้ไปทำผิดละอายใจที่จะทําผิดแล้วก็ฉลาดอย่างหนึ่งรู้ว่าถ้าทําผิดไปนะผลคือความทุกข์มันจะตามมา ถ้าเราทำอะไรแล้วมีผลเป็นความทุกข์มาต้องต้องค่อยระวังนะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญไม่ใช่เป็นชื่อของความทุกข์บางทีทำผิดได้นะนึกว่าทำบุญแต่ไม่เป็นก็มีค่อยฝึกก็เห็นจิตมันเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะตรงที่เห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้บ่อยๆนะจิตจะจาสภาวะการเคลื่อนได้ พอสภาวะจิตมันจำสภาวะเคลื่อน ไ, ได้แม่นพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเลยแล้วทันทีที่สติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนสมาธิเกิดเองเลยงั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่คอยเคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตหนีไปคิดรู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตไปไหนก็รู้นะการที่รู้อย่างนี้บ่อยๆได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิรู้บ่อยๆไปเรื่อยนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้คิดว่าทําไงไม่เคลื่อน คิดจะไม่ให้เคลื่อนยจะไม่เป็นกลางแล้ว ไ, ไปฝืนธรรมชาติฟื้นความจริงรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยนะเห็นเขาเคลื่อนรู้เคลื่อนแล้วรู้สุดท้ายปัญญ า, าก็เกิดเกิดยังไงเกิดที่เห็นว่ามันเคลื่อนของมันเองอไม่ได้สั่งไปนะมันก็เคลื่อนเองห้ามเคลื่อนมันก็เคลื่อนได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่เห็นอนัตตานะหรือบางทีก็เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยง เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดหรือเป็นตัวที่จิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งมันเคลื่อนทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวเป็นตัวเพ่งนะล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตัวคิดอยู่ชั่วคราวแล้วหายตัวเพ่งอยู่ชั่วคราวก็หายเียถ้าเห็นซ้ำๆอย่างนี้นะเรียเห็นอนิจจัง เห็นความไม่เที่ยงอันนี้จังว่าของเคยมีแล้วไม่มีไเห็นอนัตตาที่ว่าเราไม่ได้สั่งเลยมันเป็นเองมันทำงานได้เองเพราะเราเห็นจิตทำงานได้เองยังตั้งใจไม่โกรธก็โกรธใช่ไมตั้งใจไม่โลภก็โลภตั้งใจไม่เสียใจก็เสียใจได้ตั้งใจว่าจะไม่เผลอเคยไมยตั้งใจจะไม่เผลอเผลอแหลกลาเลยเผลอตั้งแต่ตั้งใจ อย่าเนี้ยตรงนี้เรียกอ น, นัตตานะเฉะนั้นถ้าเราทารํากรรมฐานดูจิตดูใจนะตัวที่ง่ายที่สุดเลยนะดูแลได้หมดทุกอย่างได้สติได้สมาธิปัญญารู้ทันจิตที่หนีไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆ่อยจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะพอมันเคลื่อนปั๊บต่อไปไม่เจตนารู้ก็รู้นี่เรื่องเราได้สติแล้วพอรู้ว่ามันเคลื่อนมันจะไม่เคลื่อนมันจะตั้งมัน่นได้สมาธิเคลื่อนแวบหนึ่งเรารู้สึกก็ตั้งได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็เคลื่อนอีก ตั้งได้ทีละนิดทีละนิดนี่เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะขนาดขนาดสมาธิช่วงขนาดสมาธิช่วงขนาดนี้ห้ามดูถูกส่วนใหญ่ของพระอราหันตะ์มาด้วยสมาธิชนิดนี้ส่วนท่านที่ทรงฌานทรงอะไรนะมีจํานวนน้อยแต่ตั้งพระอราหันต์นะส่วนใหญ่ก็ฝึกโดยใช้คณิกะสมาธิเองไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรกับใครเขหรอก พวกที่มีฤทธิ์มีเดชน่อาจจะไม่ใช่พระริยาเลยก็ได้แต่พระริยาอาจจะไม่มีฤทธิ์เลยก็ได้แต่สู้กิเลสได้นี่ต้องเข้าใจตรงนี้นะบางคนไม่เข้าใจได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ไปลองไปอธิษฐานในใจถ้าท่านเป็นพระอรหันต์จริงเวลาผมว่ายให้หันมาพยักหน้าหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้นะอุตรีนะ่าหานรกใสหวัว แต่เราเคยเจอนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปท้าถ่ายท่า น, นหลายองค์เคยเห็ น, นครูบาโภมาจักวัดประบตทตักภาสิ้นไปแล้วกราบท่านในห้หันกลับเลยอีกองหนึ่งหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนอนเป็นอมภาตนะ น, นอนเราอยู่ไกลๆตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มๆอยู่เลยนเนมนในวงกรรมฐานไม่ไมใครรู้จัก ได้ยินชื่อท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพรางั้นอยากดูพระอรหันต์นะไปกราบอยู่ห่างๆได้แต่อยู่ห่างๆเข้าไม่ถึงกราบท่านนะท่านหันพยักหน้าอันนี้เป็นพังงงนะพระอรหันต์ที่ไม่รู้อะไรเลยก็มีนะเพราะงั้นอย่าไปเอาอิทธิฤทธิ์อะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์พระอรหันต์นะเพราะว่าปุถุชนที่มีฤทธิ์ก็มีไม่ใช่ไม่มี พระอรหันต์ไม่มีฤทธิ์ก็มีนะงั้นเอาสิ่งนี้มาพิสูจน์ไม่ได้นะงั้นเราอย่างพิสูจน์เราไม่ได้นะว่าใครเป็นพระโสดาตถาคานาคาพระอรหันต์งั้นถ้าใครเขาบอกว่าเขาเป็นตนะ้่งใช้วิธีของพระพุทธเจ้าแขวนไว้ก่อนไม่ต่อต้านไม่คล้อยตามภาษาโบราณแม่อนุโมทนาไม่ปฏิเสธแต่แม่อนุโมทนาเฉยๆแล้วสังเกตเอาสังเกตเอา อย่างองค์นี้เป็นพระอรหันต์มีปฏิปทาแบบพระอรหันต์ไหมหรือว่าสอนธรรมะที่เป็นพระอรหันต์ได้ไหมอรา้ยก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูเอาหัดนะดูจิตดูใจตัวเองนะนะดูของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กไม่ยากหรอกดูคนอื่นง่ายกว่าดูของตัวเองงั้นถ้าเราดูของตัวเองเห็นนีเก่งที่สุดลวดูจิตคนอื่นเนี่ยหมูมากเลยนะที่สุรินนะ มีกระทั่งเนนสมัยหลวงปูดุลยังอยู่นะมีเนนองหนึ่งชื่อสถาพรเนนนี้ใครๆเขาเรียกกันเนนสังคราชตเว้นฉลาดแตกขานธรรมะนะอธิบายธรรมะได้หมดเลยรอบรู้ไปหมดเลยนะแล้วจิตใครเป็นไงรู้หมดเลยนะดูพระทั้งวัดในเวลาครู่เดียวชนานาญได้ขนาด น, นี้ดูพระรู้เลยองคไหนทําอะไรองไห น, ไไหนคิดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดีรู้หมดเลยนะ รู้รู้รนะครูบาอาจารย์ห้ามนะหลวงปู่ก็ห้ามว่าอย่าไปดูคนอื่นให้ดูของเราเองไม่เชื่อหรอกแอบดูตลอดห้ามไม่ฟังท่านก็ปล่อยอะอุเบกขาเหมือนกันนะห้ามไม่ฟังช่วยไม่ได้นะใครไปนั่งเฝ้าทั้งวันสุดท้ายเนี่ยจิตชินที่จะไปดูคนอื่นวันหนึ่งนะนั่งๆั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเห็นควายเดินมาฟึ๊บไปดูจิตควายเลยให้ไปดูจิตลิงก่อนทีแรก เห็นลิงมันมานะดูลิงปุ๊บความรู้สึกของลิงเข้ามาครอบงำใช่หไหมเพราะสติไม่ทันถ้าดูแล้วอย่างสติทันนะ่ะมันไม่ครอบงำนะดูมากจนกระทั่งไม่ทันนะสติไม่ทันสมาธิไม่พอแล้วออกนอกตลอดเนะ่ะความรู้สึกของลิงมาอยู่ในใจของเราเองของตัวเองในนี่ขึ้นต้นไม้นะไต่ต้นไม้ขึ้นไปปุ๊บเร็วมากในธรรมดาขึ้นต้นไม้ไม่เร็วอย่างนั้นหรอกคล้ายๆเข้าทรงอะไรเงี้ยขึ้นไป ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นะเห็นควายจิตควายก็เข้ามานะจิตออกนอกตลอดงั้นฝึกอย่าให้ออกนะสุดท้ายก็ต้องศึกนะเป็นโรคจิตไปเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะมั่วไปหมดเลยศึกแล้วก็มาหายแล้วก็มาบวชนะหายบ้าก็ามาบวชบวชบวชศึกซึก่ยสุดท้ายผูกคอตายนเนี่ยพราะครูบาอาจารย์ห้ามแล้วไม่ฟังชอบส่งจิตออกนอก ดูของคนอื่นไม่ยากนะดูของตัวเองต่างหากที่ยากดูของคนอื่นเพิ่มกิเลสนะเพิ่มความฟุง้งซ่านดูของตัวเองลดกิเลสลดความฟุง้งซ่านจะได้มากได้ผลก็ตรงเนี้ถ้าเราไม่สนใจจิตคนอื่นจะไงช่างมันนะเราคอยรู้คอยดูของเราแต่ถ้าเราสนใจสักนิดเดียวนะ <_ p ff> พวกเราที่ดูจิตดูจิตเนี่ยถ้าเราสนใจจิตคนอื่นนิดเดียวเดียเด๋ยวก็รู้แล <ian> ้วมันรู้ไม่ยากอแต่พอรู้แล้วจะปิดเนี่ยนะจะตัด การรู้เนี่ยยากที่สุดเลยงั Quindi, ้นเรายย อ, อ, อ, อย่าให้จิตออกนอกหลวงปู่ดูลย์นึงสั่งอยให้จิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนี่ท่านสอนอย่างนี้นะท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกต่อ่านอกแล้วทำไงส่งออกนอกให้มีสติรู้เนี่ยงั้นสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยนะไม่ใช่สอนด้วนๆอย่างที่ท่องๆกันนะ เอกชาบพูดหลวงู่ดูลบอกอยาส่งจิตออกนอกทั้งๆที่ท่านบอกว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกในส่งออกนอกแล้วให้มีสติเนีมีสติอยู่อย่างนี้ที่จะเกิดปัญญาบางคนอะไรไม่ออกนอกรักษาจิตไว้ข้างในนิ่งๆนิรั น, น, น, น, น, นดร์พวนี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลเป็นเรื่องของสมารถนะิคําสอนหลวงพู่ดูลนะละเอียดลึกซึ้งนะแต่ว่า คนที่ทรงจําไว้ได้จาไว้ได้เป็นท่อนๆไม่ครบหรอกอย่างได้ยินท่านสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เอามาพูดกันอย่างนี้ไม่ครบนะถ้าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เพรา ะ, ะั้นต้องพยายามหยุดคิดจะได้รู้ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรไม่ใช่พามันคิดนะ จิตมันคิดอยู่แล้วปล่อยให้มันคิดไปคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้คิดแล้วเกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรดหลงให้รู้รู้อะไรรู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วโลภโกรดหลงเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นั้นบางทีท่องๆกันมานะมันกลอนกลอนธรรมะเพี้ยนออกไปเลยนะทุกวันนี้มีคนบอกว่านับถือหลวงปู่ดุลนะสอน เอาคำสอนของท่านมาเอามาได้ไม่ครบเรียนได้ไม่ครบบางคนไปเรียนกับท่านนะท่านสอนได้นิดเดียวยังทำต่อไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บอกต่อคิดว่าท่านสอนอยู่เท่า น, นั้นกาจริงไม่ใช่ดังนั้นเร า, น, านะจิตเราไหลไปเรารู้ให้ฟังระครังเนะี่ย ฟังระคังเราเห็นไหมบางทีจิตก็ไหลไปที่ระคังบางคนก็เห็นพอฟังระคังปุ๊บจิตมันไหวอยู่ที่กลางอกจิตไหลไปอยู่ที่กลางหน้าอกรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตมันจะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนมัไหลไปแล้วเรารู้ไหลแล้วเรารู้ถ้าตอนแรกๆยังดูไม่ออกว่าจิตไหลไปที่ไหนก็หัดให้มันไหลวิธีหัดดูจิตไหลนะเช่นเรานั่งสมาธิอยู่แล้วกําหนดจิตลงไป ส่งจิตไปดูผมส่งจิตไปไว้ที่ผมเลย mm hmm. อ่านจะเอามือช่วยจับด้วยก็ได้ผมหลวงพ่อมันสั้นผมเรายาวๆเราจับนะกาหนดจิตไว้ที่ผมย้ายจากผมมันอยู่ที่หูข้างนี้กําหนดจิตเข้าไปให้จิตมาอยู่ที่นี่คือความรู้สึกความรับรู้มาอยู่ตัวนี้ย้ายมาทางนี้ย้ายมาทางนี้ย้ายขึ้นย้ายลงอยู่ในร่างกายนะ ไล่จิตไปในร่างกายในอาการ32ก็ได้ผมคนเล็บฟันหนังเรื่อยกระดูกไล่ไปเรื่อยเอาจิตไล่ไปต่อไปเวลาจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นนะเราจะรู้ด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเราจะรู้ได้ใจตอนนี้จิตวิ่งไปทางนี้แล้วจิตวิ่งไปทางนี้แล้ววิ่งไปคิดแล้ววิ่งไปดูวิ่งไปฟังแล้วแล้ถาถจากนั้นเราก็ค่อยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมา มันเห็นคนเดินมาจิตวิ่งไปดูเขาเ อ, อ้าลืมตัวเองไปแล้วจิตวิ่งไปอยู่ที่นูนนะ้นแล้วรู้ทันว่าจิตมันลงไปดูไปฟังข้างบ้านเขาคุยกันอยากฟังเขาคุยอะไรซุบซิบซุบซิบนะคุยนินทาเราหรือเปล่าความจริงเขาคุยเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้เราอยากสงสัยนะใจเราไปตั้งใจฟังเกาจิตไปอยู่กับเขาจิตเราจะวิ่งไปอยู่ที่คนอื่นวิ่งไปอยู่ที่สิ่งอื่นตลอดเวลานะหรือบางทีมันนั่งภาวนา รู้ลมหายใจรู้ท้องผองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมบ้างจิตไหลไปอยู่ที่ท้องบ้างก็ให้รู้ทันใครรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาเรื่อยๆรู้บ่อยๆสติจะเกิดพอมันไหลปุ๊บจะรู้รู้รู้เลยว่ามันไหลนีเรียกว่ามีสติขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าไหลนะไม่ได้เจตนาให้ตั้งมัน่นมันก็ตั้งอย่าไปจงใจตั้งนะถ้าจงใจตั้งผิดจิตใจะแข็ ง, ขง ถ้าจิตมันไหลเรารู้ว่าไหลนะจิตจะตั้งมั่นเองจิตจะเบานุ่มนวลนอนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่กันงานแล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้เราก็จะเห็นเลจิตนี้มันบังคับไม่ได้จิตนี้ไม่เที่ยงจิตรู้ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับแต่ถ้าคนทั่วไปนี่จิตไหลทั้งวันมันจะไม่เห็นว่าจิตไหลก็ดับได้นะยังไม่เห็นเลยเพราะมันไหลทั้งวันไม่รู้ว่าไหล นี่พอจิตรเราตั้งมั่นแล้วพอมันเคลื่อนออกไปเนี่ย<ลา>เราจะเห็นว่ามันมันไหลไปแล้วเราจะเห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลเกิดขึ้นแล้วพอเรารู้ทันจิตที่ไหลจิตที่ไหลก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีแต่ของไม่มเที่ยงมีแต่ขอ<ลา>งบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญางั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะมีตีฝึกง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอกไปกินข้าวไป